ก้าวสิบแป n สารทานซ้อนสารทานการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปก i รเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่ รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปเขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ ให้ e ิ่ die bus of die t ham, r e i n เข้ามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าให o m v f n a a n d of more ochend เข้าพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรมให้ขอน off by u n s p l y of a hotel เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ I p r o u g t s p a n s so well as e n g e l s เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน s l i e d in Madrid so well as London เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ ไซกินสเปนย์สูงกว่ิง์เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยไสนีเนดอมนีมารุกเลเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยไซสนีเนมอยนีมารุก s l like. i เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยไซปรต์นีเนตไดจ์สเนีมารูกฟรอนซ์ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียนโนและกีตาร์แอคคานีกลาฟีร์อฟกิตาร์สเปลนีดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้าแอคกานีวอลส์ออฟแซมบานีดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่แอคกานีฟันอัวเปราออฟบัลเลตนียิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นฟันอัวเปรา อ er o e vroer is ย์ตรอ a ์ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นอูฟรั r ร์ยัยกุ้มอ r ฟรัวร์กันยัยขอนคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดคร้านขึ้นเท่านั้นฮูเอเวร์ยัยโวต e ฮูเมียร์เบฮิบโว